กับทั้งไม่ควรมีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากลมหายใจนับว่าโชคดีที่ฉันนอนคนเดียวในห้องเดียวและช่วงสี่ทุ่มแถวบ้านฉันก็สงัดสงบเหมือนราวป่าฉันนั้นจึงเรียกได้ว่าเข้ากติกาอาณาปณาาสติพอสมควรนับว่าฉันได้ตัวอย่างจากการตั้งสติรู้ลมหายใจ